สามสิบห้ามุ่งไปที่ไอดที่สนามบินบีมอนนิใน த ลียติลที่ฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเทนค่ะ எ ั க ் க ுออ เ, เอเทนสึกว่ารูบิมอนน์ติ๊กเก็ตพอดีไม่เสียเบนด์ นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะอิดุเนรดิอนะไปหนมามอขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรีค่ค่ะอุรุ j o น r n a l อิรักเกย์ได้ยบเซิดภูเก็ตปีกกาดับเปักกมดิฉันขอยืนยันการจองคะ่ะนอนเย็นนุดยกัมุนปอดีวัยอูรดิปัตตบวิริวิกฤต ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะนอนงยนดีกมุ่งปฏิบัตรัฐสิยาบริบบกคืดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะนอนงนยินดีกมุ่งปฏิบัตมอตรบริบบกคืเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะโรมกัเชลล์ล็องอดัตวิมานมีเอ็ปปุ่ ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะอดิลยี่รัด์เดย์เดมคอลีอาเกย์ยี่ิไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นคะ่ะยินเลยโอ้เรดมตอนคอลีอาเกย์ยี่ริเราจะไปถึงเมื่อไรคะน้ำเอ๊ปปอร์าร์เรย์ยี่รังกุ เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะน้ำอังกฤษเอพูดด้วยพอยเชอร์บอมรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะนักเรียนมาเยอที่รักพกบัสมาเอพูดด้วยกลับบอมนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะอดุอุงกันเลยกับเป็ดเตียนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะ อัு உங்களுடைய பைய? นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะอ๋อวัยุกงกัลุร ய ยับ ப ெ ட ் ட ับ ள ดิฉันสามารถนากระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไรคะนองเยอะบล่วไปยு ம ับชุ่มย์ยืดตัวแฉลบูดียยี่สิบกิโลกรัมยีกิโลกรัม